สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตรพระเยซูตอนที่สามร้อยเก้าสิบเก้าเกี่ยวข้องกับสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เป็นครั้งที่ห้าครับเรารู้นะครับว่ า, าพระะพรเจ้าที่เกี่ยวข้องกับสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูนั้นได้บันทึกไว้โดยละเอียด <c oughs> ในยอห์นบทที่สิบสองเป็นต้นไป พี่น้องครับในเช้าวันนี้พระวจนะพระเจ้ายังอยู่ในพระธรรมยอห์บที่12นะครับข้อที่38พระธรรมยอห์โบที่12ข้อที่38โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าทั้งนี้เพื่อจะสำเร็จตามคำของอิสรรยาห์ผู้เผยพระวจนะซึ่งว่าโปรงเจ้าข้าผู้ใดจะเชื่อสิ่งที่เราได้ประกาศและพระกรรของพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ผู้ใด ฉะนั้นพวกเขาจึงเชื่อไม่ได้เพราะอิสยาได้กล่าวอีกว่าพระองค์ได้ทรงปิดตาของเขาทั้งหลายและทำใจของเขาให้มืดมัวไปเกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาของเขาและเข้าใจด้วยจิตใจของเขาและหันกลับมาให้เรารักษาเขาให้หายอิสยากล่าวดังนี้เพราะว่าท่านได้เห็นพระสิริของพระองค์และได้กล่าวถึงพระองค์ พี่น้องครับผมได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นๆแล้วว่าในบรรดาคนที่วางใจในพระองค์นั้นมีอยู่สองประเภทด้วยกันก็คือประเภทแรกวางใจนะครับแล้วก็ไม่กลัวคนประเภทที่สองก็คือวางใจแต่กลัวคนข้างๆครับแต่กลัวพวกฟาริสีกลัวว่าเขาจะถูกอับไปหีบจากธรรมศาลาของพวกฟาริสีเพราะว่าเขารักการสรรเสริญการยอมรับ จากมนุษย์มากกว่าการยอมรับของพระเจ้าพี่น้องครับพระกัมภีร์ตอนนี้ได้โค้ดมาจากพระบัมพีอิสยานะครับในข้อแรกในข้อที่สามสิบแปดนั้นพูดถึงว่าใครจะเชื่อสิ่งที่เราได้ประกาศและพระกรของพระเจ้าได้สําแดงแก่ผู้ใดนั้นโค้ดนะครับมาจากพระธรรมอิสยาบทที่ห้าสิบสามข้อที่หนึ่งและในข้อที่สี่สิบครับ โค้ดมาจากพระบรพีอีกตอนหนึ่งครับคืออิสยาบทที่หกข้อ ท, ที่สิบที่ได้กล่าวว่าพราะองค์ได้ทรงปิดตาของเขาทั้งหลายและกระทาใจของเขาให้มืดหมัวไปเตงว่าเขาจะเห็นด้วยตาของเขาและจะหันกลับมาและเข้าใจด้วยจิตใจของเขาหันกลับมาให้เรารักษาให้หายมีหลายหลายท่านนะครับถามผมว่าทําไมพระเจ้าปิดตาของพวกฟปริสีทําใหตา้ตาใจของเขาเนี่ยมืดบอดไปเพราะพระเจ้านั้น ไม่ใหญ่เขาได้รับความรอดหรืออย่างไรคําถามนี้เป็นคําถามที่ดีมากครับเพราะว่าพราะเจนะของพระเจ้าได้เขียนไว้อย่างนั้นจริงๆครับในพระธรรมยอห์นบทที่สิบสองการโค้ดของพระธรรมยอห์นหรือยอห์นนะครับผู้ที่บันทึกพระคัมภีร์ยอห์นนั้นเขาโค้ดตรงนี้เขามีความหมายอย่างไรครับเราต้องกลับไปดูที่พระธรรมมัทธิวบทที่สิบสามข้อที่สิบสี่แล้วต้องกลับไปดู ซึงออริจินอเลยนะครับก็คืออิสยาบทที่หกข้อที่เก้าและข้อที่สิบผมจะขอธิบายอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นที่เข้าใจง่ายๆของพี่น้องถ้าเรากลับไปดูในพระ ธ, ธรรมมัทธิวบทที่สิบสามข้อที่สิบสี่เราเห็นนะครับว่าการแปลพระกัมพีมาเป็นภาษาไทยหรือแบบเปลงภาษาอังกฤษจากพระธรรมพีบรูนั้นก็สามารถแปลได้หลายอย่างนะครับเร า, าดูรายละเอียดนะครับว่า ข้างพีมัติทบทที่สิบสาเขาสิบสี่นั้นเขียนว่าอย่างไรโปรดฟังข้อชนะของพระเจ้าความเป็นอยู่ของเขาก็ตรงตามคาพยากรณ์ของอิสยาห์ที่ว่าพวกเจ้าจะได้ยินกับหูก็จริงแต่จะไม่เข้าใจจะดูก็จริงแต่จะไม่เห็นเพราะว่าชนชาตินี้กลายเป็นคนมีใจเฉื่อยชาหูก็ตึงและตาเข า, ขาก็ปิดมิฉะนั้นเขาจะเห็นด้วยตา และได้ยินด้วยหูและได้เข้าใจด้วยจิตใจแล้วจะหันกลับมาและเราจะได้รักษาเขาให้หายเพื่อครับพออ่านพระคดีตอนนี้บทที่สิบสามของมัทธิวนั้นเราเข้าใจเลยครับว่าแท้จริงแล้วพระเจ้านั้นไม่ได้มีหน้าบัตทรไถทหรือมีวัตถุประสงค์ในการที่จะไปปิดหูปิดตาทำให้เขาตาบอดและใจมืดมัวแต่พระเจ้ารู้ล่วงหน้าครับว่าคนเหล่านี้จะเป็นอย่างนี้ พระเจ้าก็บอกอิสยาบอกว่าพวกเขาจะได้ยินกับหูก็จริงแต่จะไม่เข้าใจจะดูก็จริงแต่ก็จะไม่เห็นเพราะว่าชนชาตินี้กลายเป็นคนมีใจเฉื่อยชาหูก็ตึงตาของเขานั้นเขาก็ปิดพี่น้องครับคําว่าเขาก็ปิดมีความหมายว่าพวกเขานั้นปิดหูปิดตาตัวเองครับหากเขาไม่ปิดหูปิดตาตัวเอง เขาจะเห็นด้วยตาและเขาจะได้ยินด้วยหูและเขาจะเข้าใจด้วยจิตใจแล้วจะหันมาและเราจะได้รักษาเขาให้หายพี่น้องครับความตั้งใจตั้งพระไถยพระไถยน้ำพระไถยของพระเจ้าของพระเยซูนั้นก็คือการรักษาให้หายเพี่อนครับพระเยซูได้พูดไว้ในหลายที่หลายแห่งนะครับเรามาเพื่อที่จะรักษาคนเจ็บป่วยให้หายหลายหลคนที่ไม่หาย เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาเจ็บป่วยเขาเลยไม่ได้รับการรักษาครับอันนี้เป็นสิ่งที่ยากครับเหมือนกับคนที่เป็นโรคจิตประสาทนะครับหรือชาวบ้านเรียกว่าคนบ้าเราบอกว่าเขาเป็นคนบ้าเขาต้องไปหาหมอใครจะไปหาหมอแล้วครับเพราะคนบ้าเขาไม่เคยยอมรับเพราะเขาเป็นคนบ้าพี่น้องครับถ้ามีใครสักคนหนึ่งมาบอกว่าเราเป็นคนบ้ า, า, เ, นนบาเราต้องไปหาหมอเราวควรจะทําทอย่างไรครับ ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราจ้องถ่อมใจลงฟังว่าที่เขาพูดอย่างนี้เนี่ยจริงไหมในการเดทกันครับพวกฟาริสีพวกเขาไม่เคยนั่งลงคิดครับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่ตาบอดหูหนวกใจปิดจริงๆหรือเปล่าถ้ า, าว่าเขานั่งลงคิดและยอมรับความเป็นจริงก็จะนํามาซึ่งพระพรและการกลับใจใหม่พี่น้องครับชีวิตของเราทุกวันนี้ ในหลายหลายด้านบางด้านบางมุมของชีวิตของเราอาจจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นครับในหลายหลายด้านตาใจของเราก็บอดครับมองไม่เห็นเหมือนกันเราไม่เข้าใจในหลายสิ่งหลายอย่างแล้วเราปิดประตูกั้นครับนี่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจยเป็นอย่างยิ่งเพราะเหตุที่ว่านั่นคืออุปสรรคในการเติบโตฝ่ายวิญญาณของเราหน้าที่ของผมในเช้าวันนี้ก็คือว่าผมอยากจะตั้งคําถามพี่น้อง ว่ามีอะไรที่อยู่ในบางหลืบของชีวิตของเราบางมุมของหัวใจของเรามีอะไรไหมครับที่เรายังมืดบอดอยู่ขอให้เรารับความสว่างแท้นั่นคือรับเอาพระวัฒนะของพระเจ้าและพระเยสุคริสเข้ามาในมุมห้องตรงนั้นเพื่อที่เราจะเห็นและเพื่อเมื่อเราเห็นเราจะกลับใจใหม่ เราจะขอพระเจ้าชำระยกความผิดบาปของเราและเราจะได้มีด้านที่ใหม่ของชีวิตมากขึ้นโดยจากประสบการณ์ตรงนี้เองครับทําให้เราเติบโตทําให้เราต้องพึ่งพาพระเจ้าในการตรวจสอบชีวิตของเราในแต่ละวันครับเพกับคําคําโบราณว่าจิ้งจกทักเรายังต้องฟังแต่นี่คนทักครับเรายิ่งต้องฟังในขณะที่เรา ต้องไม่กล่าวหาพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นคนปิดหูปิดตาปิดใจของเราปิดใจปิดตาปิดหูของพวกฟอริสีแต่ขณะที่ย้อนในบันทึกตรงนั้นพี่น้องครับเราต้องเข้าใจบริบทตรงนี้ให้ถ่องแท้เราจะได้ไม่กล่าวหาพระเจ้าอิสยานั้นในบริบทนั้นถูกพระเจ้าสั่งให้ไปประกาศครับให้โดยโปรคลมคําว่าโปรเคลมก็คือการประกาศ ไม่ครับไม่ใช่เป็นป ร, รประกาศให้คนกับใจนะครับเป็นการประกาศถึงเรื่องราวและการพิพากษาของพระเจ้าเป็นการประกาศถึงความจริงของพระเจ้าให้กับพวกเขาและความจริงนี้เองนะครับมันจะส่งผลในที่สุดก็คือพวกเขาไม่เชื่อฟังเพราะเหตุที่พระเจ้าทรงทราบรวงงาว่าพวกเขานั้นปิดตาปิดหูปิดใจของตัวเองนั้นความหมายที่ถูกต้องแท้จริงก็อยู่ตรงนี้ครับเมื่อพระเจ้า ได้อนุญาตให้เขาหรือยอมให้เขาปิดตาปิดใจตัวเองพวกเขาจึงไม่ได้รับการเลือกจากพระเจ้าแม้ว่าเขาจะรับการเลือกโดยเผ่าพันธุ์ของชาวยิกวก็าตามแต่ว่าหมดยุคแล้วครับิ้นสุดการเลือกตามเผ่าพันธุ์ตามดีเอตามความเป็นยิวของพวกเขาแต่เริ่มต้นการเลือกของพระเจ้าโดยการที่พวกเขาจะต้องเชื่อฟังพระเยซู เช่นคับเช่นเดียวกันครับในยุคคิดจักรของเราทุกวันนี้การเลือกของพระเจ้านั้นความจริงแล้วพระเจ้าทรงทราบล่วงหน้าครับว่าเราจะต้อนรับพระองค์เราจะถ่อมใจเชื่อฟังพระองค์พระองค์ก็เลือกเราครับการทราบล่วงหน้าของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจยากการเลือกนั้นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากแต่มองในแง่มุมของเราเราต้องตอบสนองด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าเพราะเหตุที่ว่าเราได้ถูกพระเจ้าเลือกขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราภาคภูมิใจใน สิทธิของเรานะครับในฐานะของเราที่พระเจ้าเลือกเราเราจงอย่าทำให้พระเจ้าเสียทยัยอย่าทำให้พระเจ้าเสียชื่ออย่าทำให้พระเจ้าเสื่อมเกียรติอเมน